บุ๊ก2 C ชที่โรงเรียนดาร์มาเรเซเราอยู่ที่ไหนมอโคจอฮัสติมเราอยู่ที่โรงเรียนมอดาร์มาเรซฮัสตีม เรากำลังเรียนหนังสือ Mo chelose dar s t o นั่นคือนักเรียน In ho d o ا ن s h o muzon h a s s นั่นคือคุณครู In kanume mualem a นั่นคือชั้นเรียน In chelose dar a s เรากำลังทำอะไรอยู่มอเชคคารมีคอนีมเรากำลังเรียนหนังสือมอดรสมีคอนีมเรากำลังเรียนภาษามอยกซับนยอดมีกีรีมผมเรียนภาษาอังกฤษมันอังียอดมีจีรัง คุณเรียนภาษาสเปนโทเ อ, อยอมีเขาเรียนภาษาเยอรมันอูอัลมาเนียอดมีกีรดเราเรียนภาษาฝรั่งเศสมาฝรั่ง i ศสียอดมี i ีรีพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน ชมาอิตาเลียอียอดมีกีรีพวกเขาเรียนภาษารัสเซียอันฮารูสียอดมีกีรันดการเรียนภาษานั้นน่าสนใจยอดกีริซาบอนจาเลบัสต์เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ ما م อยากจะพูดกับคนอ ا ่นๆเร م อนอนเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ م ร م ی ยากจะพูด ا ับคนอื่นๆเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆอคอบอเอนนอบัคน